พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอดอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ต้องมีราบยศสารเสรนญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องดูหนังไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องดูละครไม่ต้องนอนกับแฟนวิธีที่จะทำอยู่แบบไม่มีอะไรก็ต้องหัดนั่งสมาธิ นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องมีเงนินไม่ต้องมียศไม่มีตำแหน่งไม่มีสะรรเสริญไม่มีรูปเสียงกิ่รถถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรจะเสียถ้าเรามีเราก็ต้องเสียสิ่งที่เรามีไปเวลาเสียก็เสีย อ, อกเสียใจ ร้องหมร้องไห้กันแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีอะไรถ้ามีแล้วมันต้องเสียของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราที่ทะอยากเผรอนเป็นของเราได้ชั่วคราว ร่างกายนี้ก็เป็นของเราได้ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับร่างกายถ้าเราหัดนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราสามารถมีความสุขกับ อความสงบของใจนี่แหละเป็นเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะจะเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดเพราะไม่ต้องมีอะไรถ้ามีอะไรแล้วมันก็ต้องหมดเวลาเราได้เงินทองมาเราก็ดี อ, อกดีใจกัน แต่สักวันหนึ่งเงินทองก็ต้องหมดนะด้วยเราต้องจากเงินทองไปวเวลาจากกันก็เสียอกเสียใจดัน้วันอย่างวันนี้วันพระเรามาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรกันสักวันหนึ่งแยกอยู่กับแฟนกันแฟนอยู่บ้านเรามาอยู่วัดนะ เแฟนมาวัดเราอยู่บ้านอ ย, าอยู่ร่วมกันหัดอยู่แบบจากกันเพราะต่อไปต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วต้องมีการพัดพลาดจากกันหัดมาหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้เงินวันนี้ไม่ต้องใช้เงินเที่ยวกันไม่ต้องใช้เงินซื้ออะไรต่าง นอกจากซื้ออาหารให้กับร่างกายซื้อของจําเป็นหรือถ้าอยากจะอดข้าวก็ได้ไม่ต้องซื้อร่างกายไม่กินข้าววันหนึ่งคงไม่ตายนะแล้วอาจจะทำให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วยนั่งแล้วไม่ง่วงนอน ถ้ากินอาหารแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะง่วงนอนมันขี้เกียจอยากจะนอนแต่ถ้าไม่กินแล้วมันหิวมันหิวมันก็จะนอนไม่หลับมันก็จะไม่ง่วงนอนนั่งสมาธิก็สงบสบายพอใจสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีข้าวของเงินทอง ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีไม่ต้องมีอะไรต่ออะไรที่เรามีกันมีแล้วมันมันต้องมีการจากกันเวลาจากกันมันก็เสีย อ, อกเสียใจั น, นมาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรกัน อันนี้เราจะไม่มีแฟนหนึ่งวันเป็นโสดหนึ่งวันอย่ากับภรรยาสามีสักหนึ่งวันอันนี้อยากกันแล้วเป็นโสดแต่ไม่ได้อยากเพื่อให้ไปมีคู่ใหม่เนะียอยากเพื่อให้อยู่คนเดียวอยา่าฮะอย่าเพื่อจะได้เป็นโสด จะได้รู้ว่าเวลาพัดภาคจากแฟนนี้มันทุกข์ไหมแล้วจะรู้ว่าถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วไม่มีแฟนก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไปติดคุกติดตารางก็ไม่เดือดร้อน เพาคุกตารางก็ไม่มีอะไรใช่ไหมความจริงคุกตารางเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนที่ไม่มีอะไรใช่ไคนที่ไม่มีอะไรนี่ติดคุกติดตารางก็สบายมีรอป พ, อพอดูแลเต็มที่24ชั่วโมงมีคนบริการอาหารตลอดเวลาถึงเวลาเขาก็อ า, อาหารมาให้ไม่ต้องไปหาอ า, ากินเอง เวลาเขาก็ปล่อยให้ออกไปออกกำลังกายถ้าคนชอบอยู่กับความไม่มีอะไรนี่ไปติดคุกก็สบายแต่ถ้าคนชอบมีนั่นมีนี่ชอบทำนู่นทานี่ติดคุกก็ไม่สบายน้อยคนที่จะชอบติดคุกกัน เพราว่าไม่เคยอยู่แบบไม่มีอะไรกันอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ไม่เป็นแต่ถ้าจาับพระพุทธเจ้าพระอาหารไปติดคุกนี้ท่านไม่เดือดร้อนเลยท่านสบายท่านอยู่แบบคนติดคุกอยู่แล้วเอาพุทธเจ้าพระอาหารนี้ท่านไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่เรามีกันท่านมีแค่บาทใบเดียวไว้หาอาหาร มีจีวรหนึ่งสำหรับหนึ่งชุดผ้าไต่หนึ่งชุดสามผืนไว้สำหรับนุ่งห่มมีใบมีดโกนมีมีดโกนไว้สำหรับโกนผมโกนหนวดมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีเข็มกับได้ไว้สำหรับส่อมจีวรปะเย็บจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ำ แล้วตักน้ำจากลําห้วยลําธารจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมานี่หละสมบัติของคนที่มีความสุขกับการไม่มีอะไรสมบัติเหล่านี้มีก็เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านไม่ท่านมีความสุขกับการไม่มีอะไรแล้วถ้าถ้าไม่มีสมบัติเหล่านี้ท่านก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีบาทไม่มีจีวรท่านก็นไม่เดือรอนอย่างมากก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปตายก็ตายเพราะไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาเงินทองไปหาความสุขต่างๆท่านไม่มีความอยากกับอะไรเมื่อไม่มีความอยากกับอะไรกับมีความสุขมากกว่ามีอะไรสิออ ความสุขจากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอมันจากาไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังอยากได้อยู่แต่ถ้าไม่อยากได้แล้วมันจากไปก็ไม่ทุกข์จากไปแล้วก็สบายยิ่งสบายอหญ่ไม่ต้องดูแลมันมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวมีภรรยาก็ต้องเลี้ยงภรรยามีลูกก็ต้องเลี้ยงลูก ถ้ามาบวชนี่ก็ไม่ต้องเลี้ยงภรรยาไม่ต้องเลี้ยงลูกห้เขาเลี้ยงตัวเขาเองสบายไม่ชอบสบายชอบลำบากชอบเลี้ยงลูกชอบเลี้ยงภรรยาเลี้ยงสามีมีเป็นเพราะอาวิชชาความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีอะไร เพราะเมื่อไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรก็จะไม่มีการสูญเสียเมื่อไม่มีการสูญเสียก็ไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์มันก็มีแต่ความสุขใจเรามันมีสองอย่างถ้าไม่ทุกข์ก็สุขเหมือนกับมืดกับแจ้งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่มถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืด ถ้ามันสุขมันก็ไม่ทุกข์ถ้ามันทุกข์มันก็ไม่สุขนี่สุขมันมีสองแบบสุขแบบมีนั่นมีนี่กับสุขแบบไม่มีอะไรถ้าสุขแบบไม่มีอะไรก็สุขไปตลอดเพราะไม่มีอะไรจะเสียถ้าสุขแบบมีนั่นมีนี่พอเสียนู่นเสียนี่ไปทุกข์ก็ตามมาเนี่ยคือกลาง ความจริงของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราจะสุขอย่างแท้จริงก็สุขกับการไม่มีอะไรเพราะเมื่อไม่มีอะไรแล้วมันจะไม่มีอะไรจะเสียเมื่อไม่มีอะไรจะเสียมันก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรามีอะไรเราสุขกับการมีอะไรพอเราเสียสิ่งที่เราได้สุขจากมัน เราก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสุขกับเงินพอเงินหมดก็ทุกข์กันสุขกับตำแหน่งยศตา่ตางๆพอถูกปลดก็ทุกข์กันสุขกับคําสรรเสริญพอถูกตำหนิก็ทุกข์กันสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสพอรูปเสียงกลิ่นรสหายไป หรือตาหูจมูกลิ้นกายเสียไปก็ไม่สามารถมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ทุกข์อีกมีร่างกายสุขกับร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรไปก็ทุกข์กับมาอีกอยาการไม่มีอะไรเนี่ยะเป็นความสุขที่แท้จริงวันนี้เราจึงมาหัดอยู่กับความสุขแบบไม่มีอะไร ไม่มีลูกเสียงกินรถไม่มีหนังให้ดูละครให้ดูไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีอาหารให้กินตลอดทั้งวันทั้งคืนให้กินหนเดียวก็พอกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้พอแล้วไม่มีแฟนไว้ร่วมหลับนอนไม่เป็นแฟนมีเป็นเป็นหมอนข้าง คนที่ถืสนแปดนี่อ้ามีหมอนข้างนะถึงแม้จะไม่มีแฟนก็ไม่ใหม้มีหมอนข้างมีหมอนข้างเหมือนก็เหมือนกับมีแฟนนั่นแหละไม่มีแฟนยังต้องมีหมอนข้างแทนแฟนเนี่ยมาถือสินแปดกันอมาหยุด การหาความสุขจากสิ่งต่างๆหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากตามความต้องการหาความสุขจากการดูการฟังบันเทิง ม, มหัศรร์เครื่องลเล่นต่างๆการลเล่นต่างๆหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงาม ด้วยเสือ้อผ้าอภรรสวยสดงดงามวิจิตพิสดารเสริมความงามด้วยการทำเเผาทำผมทำหน้าทำตาเสริมความหอมด้วยใช้น้ำหอมน้ามันต่างๆอันนี้มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเพราะมันจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดแล้วมันก็ไม่สุขแล้ว แล้วก็แม้แต่ความสุขจากการนอนมากเกินไปก็ไม่ได้นอนแล้วมันก็จะไม่มีเวลาไปทำอะไรนอนมากเกินไปมันก็ทำให้ขี้เกียจจะนอนอยู่เรื่อยๆกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กิน มาหาความสุขจากการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก่อนจะมานั่งก็ฝึกสติก่อนคอยเฝ้าดูการกระทาของร่างกายเรียกว่ากายกตาสติให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้กำลังยืนกำลังเดิน กำลังนั่งกำลังนอนกำลังรับประทานอาหารกำลังล้างถ้วยล้างชามกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวให้ดูร่างกายอยู่อย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าทอย่าให้ร่างกายทำงานแล้วใจไปคิดเรื่องอื่นต้องอยู่กับงานที่ร่างกายทำที่เรียกว่ามีสติ คือไม่ให้ใจไปคิดอะไรให้ใจรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรแล้วพอเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจให้รู้ว่าตอนนี้ลมกําำลังเข้าลมกาลังออกไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรนะต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็สงบนิ่ง เราก็เย็นสบายมีความสุขนี่คือความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ดาบยศรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะเป็นความสุขที่จะนําเราไปสู่ความสุขขั้นต่อไปความสุขขั้นต่อไปก็คือแม้แต่ความสงบที่ได้จากสมาธิก็ไม่เอา เพราะความสงบจากสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวพอใจไม่สงบความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาต้องเอาแบบไม่ต้องมีอะไรให้อยู่กับความว่างอยู่กับอยู่กับความไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ความสงบก็ไม่ต้องมีให้นั่งเฉยๆเดินเฉยๆ ทำอะไรไปโดยทีไยไยยละละ่ไม่ต้องมีความอยากกับไม่ต้องมีความอยากมีความสุขกับลาบยศจันละเสริญไม่ต้องมีความอยากกับมีความสุขกับรูกเสียงกลินรสไม่ต้องมีความอยากกับการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบตัดมันหมดเลยถ้าไม่มีความอยากได้อะไรเลยใจก็จะอยู่กับความว่าง อยู่กับสิ่งอยู่กับการไม่มีได้อันนี้แหละเป็นความจะเป็นความสุขที่ถาวรเพราะว่าความว่างจะไม่มีวันไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเมื่อไม่มีอะไรแล้วมันจะหมดได้เนะความว่างนี้มันไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรมันจะหมดไปมันจะมันจะหมดไปได้องไร ความว่างเกิดจากการที่เราตัดความอยากได้รูปเสียงกิน่นรถตัดความอยากได้ราบยศสารเสริญตัดความอยากได้ความสงบของสมาธิาความสงบของสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกับราบยศสลรเสริญเหมือนกับรูปเสียงกิ่นลถเวลาใจสงบนั่งสมาธิก็มีความสุข เอออกจากสมาธิมาความสงบนั้นหายไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นความอยากก็เกิดขึ้นหยุดความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์พอหยุดความอยากแล้วใจก็จะไม่ต้องมีอะไรอยู่กับการไม่มีอะไรเวลาอยากก็อยากไปทำตามความอยาก อ ย, amo, อยากได้ล่ามยศสารเสวญ ก, ก็ไม่เอาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เอาอยากได้ความสงบก็ไม่เอาอยากได้ความว่างแทงอยากไม่มีอะไรอยากอยากได้ความว่างถ้าได้ความว่างอยู่อยู่กับความว่างแล้วเราก็สบายอยู่กับการสิ้นเนื้อประดาตัวความว่างก็คือการสิ้นเนื้อประดาตัว อยู่แบบคนสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แบบขอทานนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะฝึกจิตฝึกใจไม่ให้พึ่งอะไรให้ความสุขอันนี้จิตใจเราต้องพึ่งล า, าบยกสารเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสพึ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พึ่งสามีพึ่งภรรยา ภรรยาพึ่งสามีสามีพึ่งภรรยาต่อไปอย่าไปพึ่งกันอยู่คนเดียวไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งตำแหน่งไม่ต้องเป็นนายพลนายพันไม่ต้องให้คนมายกย่องไม่ให้ไม่ต้องให้คนมาให้ปริญญาหลุสตีบัณฑิตไม่ต้องมีคนให้เกียรติบัตรเกียรติคุณอะไรต่าง ไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นรถไม่ต้องหาความสุขจากการนั่งสมาธิถ้าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีความอยากก็จะมีความสุขที่มันทุกข์เพราะทุกข์เพราะความอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้แล้วหงุดหงิดไหมอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มมันหมดหุดหงิดนะอยากสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบมันหงุดหงิดนะ อยากดื่มเบียร์แล้วไม่ได้ดื่มมันหงุดหงิด น, นะอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวมันหงุดหงิด น, นะอยากนอนกับแฟนแล้วไม่ได้นอนกับแฟนมันหงุดหงิด น, นะถ้าตัดความอยากได้แล้วความหงุดหงิดตอนนี้จะหายไปหมดความทุกข์หายไปเหลือแต่ความสุขความสุขของใจที่แท้จริงคือการอยู่โดยไม่มีความอยาก ไม่มีการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากไม่เสียลาบยศสรรเสริญสุขไปมีแล้วก็อยากจะให้มันมีไปเรื่อยมีร่างกายแล้วก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตาย พออยากให้มันแก่พออยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่ทุกข์แต่แม่ร่างกายคนอื่นทําไมเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายคนอื่นจะแก่ก็เรื่องของเขาะเขาจะเจ็บก็เรื่องของเขาเขาจะตายก็เรื่องของเขาแล้าไม่เดือดร้อนเลย่แล้วทําไมมาเดือดร้อนกับร่างกายของเรามันก็เหมือนกัน ร่างกายของเขากับของเราต่างกันตรงไหนไมีอาการสามสิบสองเหมือนกัน 32. มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอกระดูกเหมือนกันมีมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแล้วทำไมไปทาไมไม่ไปเดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นทำไมมาเดือดร้อนกับร่างกายของเรามันก็ร่างกายเหมือนกันทุกอย่างแก่เจ็บตายเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะมีความอยากไม่ให้ร่างกายนี้มัน แก่เจ็บตายเท่านั้นเองแต่ร่างกายคนอื่นไม่สนใจเราต้องไม่สนใจร่างกายนี้ด้วยสิแล้วเราจะสบายอย่าไปสนใจมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่สนใจเราเดือดร้อนไหมต้องสบายไหมแล้วมันเดือดร้อนกับร่างกายนี้ทําไมเดือดร้อนแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่ามันก็เหมือนกันมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน เราต้องมาหยุดความอยากความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องใช้สติใช้ปัญญาพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็หยุดนะเวลามันอยากอะไรเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วต่อไปพอเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเหมือนอยากจะสูบบุหรี่ พออยากจะสูบแล้วไม่สูบเอาบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็ฉีกมันทิ้งไปตัวครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็ามันมาฉีกแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่สูบเองมันก็เลิกสูบได้อยากจะดื่มเบียร์ก็เอาเบียร์เปิดเบียร์แล้วก็เทใส่น้องในโถส้วงไปไปไัญญเดี๋ยวมันก็ต้องไปที่โถส้วงไม่ใช่เหรอกินก็ไปในร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปที่โถส้วงองีกเหมือนกัน เรื่องอะไรให้มันให้ร่างกายมากลองพิษอ่ะเอาพิษก็มาร่างกายทำไมมันเป็นยาพิษไม่ใช่หรือเบียร์เนี่ยกินเข้าไปแล้วเป็นไงกระเพาะลำไส้ mm hmm. เจ็บไข้ได้ป่วยใช่หัหะก็ hmm. กินเบียร์กินสุรามากเกินไป mm hmm. ทุกครั้งอยากจะดื่มเบียร์ก็เปิดแล้วก็เทลงอะไรในช่วงนะี้เดี๋ยวต่อไปก็เลิกดื่มเอง เนี่ยคือวิธีที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆต้องไม่ทำตามความอยาก<ม>พอไม่ทำแล้ว ก, กำลังมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆความอยากมันจะเบาไปเรื่อยๆ<ม>อยากจะซื้ออะไรไม่จำเป็นไม่ซื้อก็ได้พอ<ม><ม>ซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีเต็มตู้แล้วมไม่ต้องซื้อมันอยากกี่ครั้งก็ไม่ซื้อมันต่อไปมันก็ไม่อยากเ<ม>นี่ยแหละคือ ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากนี้ถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากในใจแล้วสบายอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้ตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันมีความอยากมีนั่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากได้นั่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากดูอยากฟังพอดูเสร็จก็อยากจะกิน อยากจะกินก็อยากจะนอนกับแฟนต่ออีก แ, แเราตื่นขึ้นมาก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ไปมันมีความอยากหมุนเวยียนกันมาอยู่ตลอดเวลาพอวันไหนไม่สามารถทําตามความอยากได้ก็ทุกวันไหนไม่สบายนี่ทุกแล้วอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ไม่สบายอยากจะไปทําอะไรก็ไปทําไม่ได้ก็ไม่สบาย ถ้าไม่สบายนานๆก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากทั้งนั้นทุกทั้งนั้นความอยากนี่เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากตอนนี้ไม่มีความอยากนั่งนี่นได้ใช่ไหมสบายนะแต่นั่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็มีความอยากพออยากก็ต้องลุกแล้วต้องไปนละ พระมารดเจ้านั่งมาไม่รู้กี่วันแล้วใ <c> น <oughs> ลุกไปไหนเลยท <c oughs> ่านไม่มีความอยากส <c oughs> บายท<ด>่านสบายพวกเราวุ่นวายกันอยู่ที่นี่ก็อยากจะไปที่นูน่นพไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะมาที่นี่อยู่เมืองไทยก็อยากจะกลับฝรั่งเศสเดี๋ยวไปฝรั่งเศสก็อยากจะกลับมาเมืองไทย กลับไปกลับมาอย่างเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาทําไมไม่ทำหลักพระเจ้าอยู่ตรงนี้ไปต ล, ลอดเดี๋ยวก็มาอยู่ดีกะเดี๋ยวว่ากลับมาตรงนี้อะแล้วไปทำไมให้เหนื่อยนจะหยุดความอยากได้ต้องมีสติต้องมีปัญญาสร้างสติขึ้นมาจะรู้ว่ามีสติไม่รู้ว่ามีสติหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราหยุดความคิดได้หรือไม่ ถาเราหยุดความคิดได้แสดงว่าเรามีสติสั่งมาให้หยุดคิดอย่าคิดอะไรให้รู้เฉยๆมันก็ถ้าไม่คิดอะไรเลยมันก็แสดงว่าเรามีสติถ้าหยุดความคิดได้มันก็หยุดความอยากได้มันอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มมันดูซิว่าจะใครจะชนะกันถ้าสติมีกําลังมากกว่ามันก็ไม่ดื่มพอไม่ดื่มต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากดื่ม ถ้ายังแพ้ความอย า, อยากอยู่ก็แสดงว่าสติยังสู้มันไม่ได้ก็ต้องหัดสติฝึกสติท่องพุโทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็พุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปอยากก็คิดแต่กาแฟกาแฟกาแฟอันนี้ขั้นแรกขั้นสติขั้นที่สองก็ขั้นปัญญาปัญญาก็สอนว่าของทุกอย่างในโลกนี้มัน มันต้องหมดนะได้มาแล้วต้องหมดถ้าหมดแล้วมันดีไหมเวลาได้มาเวลาได้มาดีแต่เวลามันหมดไปแล้วดีไหมไม่ดีถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันหมดแล้วเอามันทำไมก็อย่าเอาดีกว่าอย่ามีมันดีกว่าตอนนี้ไม่มีไม่เดือดร้อนพอมีมันแล้วเดี๋ยวพอมันหมดกลับเดือดร้อนคนที่เคยมีเงินล้านอย่างนี้พอเงินล้านหมด เดือดร้นคนที่ไม่มีเงินร้านเลยไม่มีเงินร้านก็เงินร้านไม่มีตอนนี้ไม่มีก็ไม่เดือดร้อนขอทานเขาก็ไม่มีเงินล้านเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีเงินล้านพอต้องมาเป็นขอทานเดือดร้อนเพราะยังอยากจะกลับไปมีเงินร้านอยู่แต่ขอทานมันไม่เคยคิดจะมันรู้ว่ามันมีวันที่จะได้เงินร้านก็เลยไม่อยากให้ได้เงินล้านมันขอแค่วันละบาทสงบาทก็พอแล้ว คนสองคนมีเงินเท่ากันนี่แต่คนหนึ่งสุขเอกคนหนึ่งทุกเชื่อไหมคนสองคนมีเงินสิบล้านเท่ากันคนหนึ่งทุกเพราะว่าเมื่อก่อนมีอยู่ร้อยล้านแล้วเสียไปเก้าสิบเหลือสิบล้านก็เสียใจแล้วเอกคนเคยมีอยู่ล้านหนึ่งก็ได้มาเป็นสิบล้านกับดีใจก็มีเงินเท่ากันแต่ความสุขความามความความสุขความทุกข์ไม่เท่ากัน เพราะคนหนึ่งอยากได้อยากได้ร้อยล้านเพราะเคยมีร้อยล้านแล้วมาเหลือสิบล้านก็เลยทุกข์แต่คนหนึงไม่เคยคิดว่าอยากจะได้สิบล้านมีล้านหนึ่งก็เอพอได้สิบล้านก็ดีใจแต่ก็ทุกข์ทั้งสองคนอะเดี๋ยวมันก็กลับไปที่ศูนย์เดี๋ยวเวลาตายมันก็ศูนย์นี่คือปัญญาให้มองเห็นว่าทุกอย่างต้องกลับมาที่ศูนย์ เรามาตัวเปล่าๆเห็นไหมเวลาเรามาเกิดเร า, เอาอะไรมาบ้างหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยร่างกายนี้ก็ของพ่อแม่ไม่เป็นของของขวัญพ่อแม่ให้เรา Birthday Gift Your Body Your Birthday Gift From Your Parents ร่างกายนี้เป็นของขวัญวันเกิดนของพ่อแม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาหลาบยศสัดรเสริญหารูปเสียงกลิ่นแล้ว หาอะไรต่างๆหา ไ, ได้มากหา ไ, ได้น้อยบางคนก็เป็นมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งไมโครนี่มหาเศรษฐีบางคนก็เป็นพานานาทิปารี d ดน a l d t ท u ั p นี่เดี๋ยวตายไปก็ไปที่ไป ท, ไปที่เกรเบยียเหมือนกั น, น <c oughs> ก็ไปที่สุสานมีใครเอาไปเอาอะไรไปได้ให้มีใครลา ไ, ไปได้อันนี้คือปัญญาถ้ามองเห็นว่า ไม่มีอะไรที่เราจะเอาติดตัวไปได้ไม่มีอะไรเป็นของเราจะต้องมีวันต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็จะทำให้เราไม่มีอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่ า, าเป็นปธานาที่ประดีเดี๋ยวแปดปีก็หมดแล้วพอเวลาหมดแล้วเป็นไงจอยคนที่ไม่เป็นก็ไม่เดือดร้อน ดังนั้นให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเหมือนของยืมเข้ามาเดี๋ยวต้องคืนก็หมด mm hmm. เวลายืมมายืมได้แต่เวลาคืนไม่ยอมคืนเงินนะลืมไปว่าเป็นของยืมมาเคลมว่าเป็นของเราไปเลยไปยืมรถเพื่อนมาแล้วขับแล้วก็ไม่ยอมคืนพอเพื่อนมาทวงก็ก่อดอีก โกรธเพื่อนอกเขาสาให้ยืมรถใช้แทนที่จะขอบใจเขากลับไปโกรธเขาเสีกเพราะเขามาทวงรถคืนไปเนี่ยสันดานคนเป็นอย่างเงี้ยได้อะไรมาแล้วไม่ยอมคืนได้อะไรมาแล้วยึดติดหวงมันจึงทุกข์กันถ้าไม่หวงเราจะไม่ทุกข์จะรู้ว่าของทุกอย่างเป็นของยืมมาเดี๋ยวเวลามันจะไปก็ให้มันไป ถ้าเก็บไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้มันก็จะไปแค่มันไปถ้าอยากจะสบายใจไม่ต้องมาหวงมาหวงก็มาบวช ด, ดีกว่ามาอยู่แบบไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีเงินทองไม่มีอะไรพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านรู้วิธีอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบนักบวชเนี่ยวิธีเป็นวิธีที่อยู่ที่ อยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ต้องทำใจให้ได้ต้องตัดความอยากให้ได้ตัดการมัตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้ได้ถ้าตัดได้แล้วไม่มีอะไรจะแสนสบายเท่ากับการเป็นนักบวชเมันติดคุกข้าวก็ฟรีเช้าก็เดินหิ้วบาตรเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก็ข้าวก็เต็มบาตรแล้วที่บ้ก็มีคนมาสร้างให้อยู่ใช่ไห ของเหล่ น, นี้มีคนมาทําให้นไม่ต้องทําอะไรอีถึงเวลาเขาก็มาทําให้ศาลาโรงศาลานี่เขาก็มาสร้างให้ทุงอย่างฟรีหมดแต่แต่ว่าต้องอยู่เฉยๆเท่านั้นอย่าไปเล่นการเมืองอย่าไปอะไรอย่าไปมีสมบัติอย่าไปมีเงินทองใช่ไหม พอวันไหนรวยมีเงินทองเยอะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่อยู่แบบพรนะแล้วอยู่แบบพระต้องอยู่แบบไม่มีสมบัติไม่มีข้าวของนะสาราหลังนี้สร้างมานังนปีสองหกสองหน้าสองหกนี่หกศูนย์ก็สามสิบสี่ปีแล้ว มันยังใช้ได้ก็มีแต่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำคาตอนต้นก็ใช้หญ้าหญ้ามันไม่กี่ปีมันก็พังมันก็ผุก็กเปลี่ยนเป็นสังกะสีนี่สังกะสีชุดที่สองก็อยู่ได้สบายมีแค่นี้ก็พอแลใช้งานได้ใช้ประโยชน์ได้ <c oughs> อยู่แบบเรียบง่าย <c oughs> อย่ามีสมบัติมีก็เอาไป ทำประโยชน์ไปสงเคราะห์โลกช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสาธารณกุศลต่างๆให้คนอยู่กันสุขสบายขึ้นไม่ให้เดือดร้อนยากลำบากจากการขาดแคลนปัจจัยสี่แต่แต่ถ้าเองไม่ต้องไม่ต้องมีเงินไม่ต้องใช้เงิน ซื้อความสุขต่งางๆเราไม่มีความอยากได้อะไรพอ ร, รู้ด้วยเห็นด้วยปัญญาว่าการมีอะไรนั้นเป็นความทุกข์แล้วมีสติหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้หยุดด้วยสติหยุดด้วยปัญญาก็ไม่มีวันที่จะกลับไปอยากได้อะไรอีกต่อไปพราะจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเห็นว่าเป็นยาเสพติดอยากจะเสพไหม เสพแล้วก็ติดติดแล้วก็ตายดูอย่าเสบดีกว่าแล้วสบายปลอดภัย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกจะไม่เข้าใจฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจเขาเป็นไปได้ไงการไม่มีอะไรแล้วจะมีความสุขได้ยังไงทุกคนต้องคิดว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุข ต้องมีตำแหน่งต้องเป็นปญนานาธาที่ประดีต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องเป็นนายกรัฐมนตรีถึงจะมีความสุขต้องมีคนใหรางวัลโนเบลถึงจะมีความสุขต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสให้ดูให้ฟังให้ดื่มให้รับประทานถึงจะมีความสุขให้อยู่ติดคุกมันจะมีความสุขได้ไง ถ้ามาอยู่แบบนักหวชมันจะมีความสุขได้ยังไงเราไม่รู้ว่าถ้าตัดความอยากได้แล้วความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาเองความสุขที่แท้จริงจะโผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้ทำตามความอยากก็ดีใจแ้วเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นมา พออยากแล้วไม่ได้ทํามันงไง ร, รู้สึกเป็นไงบางทีก็โมโหคนนั้นโมโหคนนี้ <c oughs> อารมณ์ไม่ดีเวลาไม่ได้ทําตามความอยากอารมณ์จะไม่ดีย <c oughs> ันเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีทุกอย่างเป็นถึงเจ้าชายเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน <c oughs> มีเงิน มีปสาษาสามฤดูมี a l งลึ s สามอันแต่ท่านเห็นว่ามันไม่สุขมันทุกข์เพราะว่าเวลามันไม่มีเวลาแก่นี้มันจะไม่มันจะทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะทุกข์เวลาตายมันจะทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าไปหาความสุขแบบที่ เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไม่ทุกดีกว่าก็ไปหาความสุขจากการไม่มีความอยากตัดความอยากให้เราตัดความอยากหมดแล้วทีนี้ก็สบายนี่คือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของพวกเราดูได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับที่ดีของการอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่เป็น เ, เป็นอะไรเป็นมนุษย์วิเศษอะไรก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเรา<ม>เกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเรา<ม>เป็นเด็กเหมือนพวกเราโตขึ้นมาเหมือนพวกเราอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่าง ท่านฉลาดท่านนั้นเองท่านค้นพบความจริงว่าความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่การมีการมีความอยากและความสุขของพวกเราอยู่ที่การไม่มีความอยากอลรู้แค่นี้เหมือนกับนิวตันนักวิทยกศาสตร์ชื่ออแซคนิวตันเรารู้ว่าทำไมแอปเปิ้ลมันถึงไม่ตกลงไ ม, ไม่ไม่ลอยขึ้นไปบนอากาศมันทำไมตกลงมา เรารู้ว่ามีแรงดึงดูดของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ลอยก็เพราะมีโลกมันดูดพวกเราไว้ไม่ให้ลอยขึ้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าบอกว่าความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่ความอยากนี้แล้วความสุขของพวกเราก็อยู่ที่การไม่มีความอยากถ้าเราตัดความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหายไป ตามอยากมันมีชีวิตมาได้ก็เพราะเราทาตามมันอยู่เรื่อยๆมันอยากได้อะไรแล้วก็หามาให้มันหามาได้มันก็อยากได้เพิ่มก็ดีถ้าเราหยุดท้ายมันต่อไปมันก็ไม่อยากอยากแล้วมันไม่ได้มันจะอยากไปทำไมใช่ไหมเหมือนคนมาขอเงินเนี่ยถ้าเขามาขอเงินวันนี้คุณให้เงินเขาเดี๋ยวคุณนี้เขาก็มาขออีกใช่ไหมถ้าคุณไม่ให้เขาแล้วคุณเาจะกลับมาไหม กลับมาก็ไม่ได้มันจะมาทาไมเสียเวลานี่ยแหะคือธรรมชาติของความอยากเป็ น, นี้ถ้าได้แล้วมันอยากจะได้แล้วอยากจะได้มากกว่าเก่าด้วยวันนี้ได้ร้อยหนึ่งพรุ่งนี้ถ้าได้ น, อน้อยกว่าร้อยหนึ่งก็ไม่พอใจนะต้องต้องได้มากกว่าร้อยถึงจะดีใจถ้าได้ร้อยก็เฉยๆมันต้องอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าวันนี้มาแล้วไม่ได้แล้วพรุ่งนี้มาแล้วได้จะดีใจได้น้อยกว่าร้อยก็ยังดีใจ <laughs> นันนี่คือเคล็ดลับของชีวิตไม่ที่พระพุทธเจ้าตัจะรู้เนี่ยที่ว่า enlightenment เนี่ยก็คือ <laughs> h e discover the truth of our happiness and our suffering ว่พาเรามีความสุขได้เพราะเราตัดความอยากได้ ที่เรามีความทุกข์กันก็เพราะความอยากและเพราะการทำตามความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์อยากจะมีความสุขก็อย่าไปทำตามความอยากมาอยู่แบบนักบวชกันอย่างวันนี้ท่านสอนให้เรามาหัดอยู่แบบนักบวชหนึ่งวันวันนี้วันพระให้มาหยุดกรารว่าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากันหนึ่งวัน ไม่ไปหาหราบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาอยู่เฉยๆหาความสุขกับการไม่มีอะไรอยู่กับความว่างหนึ่งวันถ้าเราทำได้บ่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปแต่เราทำน้อยไปหน่อยทาแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันบางคนไม่ทำเลยไม่รู้จักวันพระวันโกนเลยมีแต่อยากมันทุกวัน มันก็เลยทุ ก, กันทุกวันเอานะคิดว่าพอสมควรจะเวลาจะอนุโมทนาให้ผ่อยะถาวาเลวะหาปุราเปาริกปุเรนติสาขังเอวังเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกัปรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจตุ สัพเพปุริยตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโกภะอะภิวาตนาสีริศานิจังวุฒาปจายโน จตาโรโหเทมาวะทันติอายุวโนสุขงังภาลางมีคำถามไหมครับคำถามมีอินพุสอยู่สองคำถามครับแต่คุณเสียสั้นเล็กครับข้อหนึ่งเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราตกลุมตกบอ่อถึงขั้นอัปนาสมาธิและมีวิธีสังเกตรู้ได้อย่างไรคะ ก็มันบอกแล้วมันตกหลุมตกบ่อถ้ามันตกหลุมตกบ่อมันก็ต้องทราบเลยมันก็ตกหลุมตกบ่อจริงๆอ่ะที่พูดนี้ไม่ได้เป็นเป็นการเปรียบเปรยมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะจิตมันรวมเนี่ยมันจะวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่องั้นอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปสนใจถ้าอยากถ้าไปคอยลอ้มันตกหลุมตกบ่อมันไม่ตกเราให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวแล้วอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะตกเมื่อไหร่มันจะตก ถ้าคิดแล้วมันจะไม่ตกต่อไปก็สอนครับคารวะทั่วไปที่ปฏิบัติทำด้วยการเจริญสัมมาสติและสัมมาสมาธิสามารถเจริญไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้หรือไม่หรือต้องเป็นนักบวชปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ที่วัดเท่านั้นคะมันไม่ได้อยู่ที่เป็นบวชแลือนักบวชหรือไม่นักบวชมันอยู่ที่มีสติอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องถ้ามีสติต่อเนื่องมันก็เข้าได้เท่านั้น พระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กมันไม่ได้บวชยังเข้าอัปปนาสมาธิได้เนี่ยอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยจเจริญสติมาในชาติก่อนแต่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเพราะมีแต่คนห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาพอวันหนึ่งคนลูกน้องไปทำงานอย่างอื่นปล่อให้ท่านนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นใต้ใต้โคนต้นไม้ ไม่มีใครมารบกวนใจข่างท่านก็เข้าเลยตกหลุมตกบอ่อเข้าไปเลยไอ้ okay. มันอยู่ที่สองอย่างอยู่ที่หนึ่งสติสองอยู่ที่บรรยากาศรอบข้างกายต้องวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้อคือร่างกายบ ร, บรรยากาศรอบบ ร, ริเวณร่างกายเราต้องสงบสงัดเหมือนมานั่งอยู่บนเขาคนเดียวอย่างนี้แล้วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องมันก็ลุบเข้าไปได้เลยแต่ถ้ามานั่งที่เงียบแต่สติยัง ยังไม่มีใจยังเป็นลิงอยู่ยังคิดถึงนู่นถึงนี่อยู่มันก็ไม่เข้าอยู่ดีมันต้องมีสองอย่างต้องมีสติต่ตอเนื่องแล้วก็ต้องมีบรรยากาศที่สงบสงัดรอบข้างตัวเองมันถึงจะเข้าได้คำถามต่อไปจากเ c e บุ๊ k ไลฟ e ครับจากคุณมารี่ครับมีสองคำถามครับข้อหนึ่ง เวลากราบพระพุทธรูปหรือรูปหล่อพระอริยสงฆ์เราควรคิดอะไรในใจคะไม่ใช่ขอดุลขอหนี้ก็ให้เราเลยถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้กราบพระรัตนกายให้กราบแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ลืมกราบแล้วเราจะได้นำนึกถึงคุณอานวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวงแล้วเราจะได้พยายาม ทำตัวเราเองให้ได้ไปไปเหมือนเป็นเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยกสงสารข้อสองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เป็นผลของกรรมอย่างเดียวใช่ไหมค ะ, ะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อใช้คําว่าโคอินซิเดนต์ใช่ไหมค ะ, ะแล้วเราสามารถควบคุมจัดการโคอินซิเดนต์ได้ไหมคะเพื่อไม่ให้เราพบเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของ ตัวแปรหลายอย่างอากาศเนี่ยเดี๋ยวพายุมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเศรษฐกิจเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคนก็เลยคนถูกสิ่งเหล่านี้กระทบมันก็เลยมากระทบกับเราอเพอเศรษฐกิจตกต่ําคนก็อารมณ์ไม่ดีกันเงินขาดกันก็ไปขโมยกันไปฆ่ากัน นันมันมีอะไรหลายอย่างด้วยกันที่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกรรมเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติของโลกงั้นเราก็คิดว่าจะเป็นกรรมก็ได้กรรมของเราก็อยู่ตรงที่มาเกิดเท่านั้นอ่ะถ้าไม่มาเกิดมันก็ไม่ต้องมาเจอไอ้วิบากเหล่านี้นะ้นจะว่าเป็นกรรมก็ได้กรรมก็คือการมาเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับการเหตุการณ์ต่งาง มีเจริญมีเสื่อมมีการเจริญของลาบยศสรรเสริญสุขอันนี้เป็นเรื่องปกติของโลกคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องมาสัมผัสกับการเจริญและเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ที่ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไม่เดือดร้อนไปกับการเจริญกับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขเพราะท่านไม่ไปยึดไปติดไม่ไปยุ่งกับมันนั่นเอง ใครไปยุ่งกับราบยศสารเสวนสุขแล้วจะต้องเดือดร้อนเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันก็จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนพระหรือพระที่เป็นนักบวชพระที่บวชจริงๆพระที่ไม่ไปยุ่งกับราบยศสารเสริญสุคนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดราบจะมาหรือไม่มาท่านก็ไม่เดือดร้อนมาท่านก็ไม่ได้ยินดีอะไรมาก็เอาไปทําประโยชน์ให้กับ ที่อื่นไปถ้าถ้าท่านเองก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้อะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนลาบจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่เกี่ยวแต่ถ้ายังไม่ฉลาดยังยินดีกับราบยศสรรเสริญอยู่เวลามาก็ดีใจเดี๋ยวเวลาไปก็เสียใจแล้วก็มาบ่วนว่าเป็นกรรมมัง่งเป็นยี่บาสมั่งเป็นอะไรต่างๆนานา ท้จริงก็คือกรรมที่แท้จริงก็คือการมาเกิดนี่แหละอิบาของพวกเราก็คือการมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัฒนาจากลาบยศสรรสักเสริญสุขนี่เองคาถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาพระรับเงินทองจะปิดกั้นมรรคผลจริงหรือไม่ครับไม่หรอกมันอยู่ที่ว่ารับยังไงไงถ้ารับแบบยินดีมันก็ปิดกัน้นแต่ถ้ารับแบบไม่ยินดียินร้าย ขอให้มาก็รับไว้ฉลองศรัท ธ, ธาก็ไม่ให้เขาเสียใจก็รับไปแต่ถ้ารับแล้วเอาไปซื้อ iPhone ไปเที่ยวไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวอย่างนี้ก็ปิดกันแน่ๆ แ, แต่ถ้ารับแล้วแล้วเอาไปทําประโยชน์ต่อเอาไปสร้างกุฏิเอาไปทําอะไรจําเป็นที่จะต้องทําในวัดถ้าในวัดไม่มีความจําเป็นก็เอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลไปสงเคราะห์โลกอย่างนี้ก็ไม่ปิดกัน แต่ส่วนใหญ่คนที่จะทำานี้ได้เป็นคนที่เขาบรรลุแล้วทั้งนั้นถ้ามันยังไม่บรรลุนี้ถ้าไปยุ่งกับเงินทองนี่มันติดทันทีมันรักมันหวงมันโลภขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้พระไปยุ่งกับเงินทองแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆต้องซื้อของจาเป็นก็ให้ญาติโยมฝากเงินทองไว้กับลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้พระครอบครองเป็นเงินของตนเองเวลา ต้องการซื้อยาซื้ออะไรจาเป็นก็ไปบอกคนที่เขาฝากคนที่เขารับเงินฝากไว้ให้ให้เขาไปจัดการหาให้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้ก็คิดว่าไม่ได้เป็นเงินของเรา<ม>เป็นเงินของญาติโยมฝากไว้<ม>ถ้าคนที่ฝากไว้มันมันโลภมันเอาไปใช้ก่อนนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็มีทางเดียวก็คือเปลี่ยนคนฝากเลยคราหน้าใครอยากจะฝากเงินก็อย่าไปฝากให้คนนี้ เป็นลูกศิษปากคนอื่นคำถามจากคุณผักโขมเมื่อวานโยมไปเยี่ยมคุณยายท้องโตปวดแน่นมากหมอบอกว่าไตาวายควรปรอบท่านอย่างไรเจ้าคะตอบอะไรล่ะปอบปอบหรอก็อยู่ที่ท่านว่าท่านรับการปรอบอย่างไรได้ล่ะ ถ้าถ้ารับความจริงได้ก็บอกว่ายายเตรียมตัวตายเถออ่ามันจะได้สบายใจถ้าตรงได้แล้วมันจะสบายใจปลอบใจถ้าถานรับความจริงไม่ได้ก็ยายอย่าไปสนใจมันมันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวพวกนี้มันอาจจะหายก็ได้ก็ปลอบใจได้หลายอย่างหลายวิธีก็ดูว่าคนที่เราจะปลอบนี่ใจเขาอยู่ในระดับไหนรับความจริงได้หรือเปล่า ถ้าก็รับได้ความจริงได้เราไม่ต้องไปปอกเขาหลักเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าก็รับความจริงไม่ได้ก็บอก่อยมันไม่แน่นอนหรอกโยมยายสามวันดีสี่วันไข้่โยมก็สวดมนต์ไปพุทโธไปรักษาไปตามมีตามเกิดไปอย่าไปวุ่นวายไปกับมันอย่าไปวิตกกังวลกับมันคําถามจากคุณซันชายข้อที่หนึ่ง ยาที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประมาณ 0.95% ตามที่หมอสั่งมาให้เช่นยาแก้ไอทานยานี้แล้วถือว่าผิดสี่ข้อห้าหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกมันเป็นยามันไม่ได้เป็นสุราอมอย่าไปอย่าไปเป็นเทนตรงเลยเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินอะไรเลข้อ <c oughs> ที่สองอาหารที่ปรุงสุก แต่มีส่วนผสมของวายหรือขนมหวานเช่นเค้กไอศครีมที่มีส่วนผสมของเหล้าลำ<ต>ถือ<ม>ว่าไิสี่ข้อน้หรือเป่าจะกินแล้วไม่เมาไม่เป็นไรหรอกก<ต>ินแค่ไปเลยข้อที่สามถ้าที่บ้านมีพ่อไก่แม่ไก่เป็นแม่ไก่ออกไข่เราจะเอาไข่มารับประทานได้หรือไม่คะถือว่าผิดสี่ข้อหนึ่งหรือไม่คะมันมันเป็นสิ่งที่จะเป็นเป็นลูกไก่ต่อไปได้หรือเปล่า ถ้าเป็นได้ก็มันก็เหมือนกับข้ามันก็ไม่ควรออามากินปล่อยให้เขาฟักไปไปซื้อไข่ที่เข า, เาขายในตลาดก็แล้วกันถ้าอยากจะกินไข่ข้อที่สี่อยากถือสิงแปดแต่มีโรคประจำตัวต้องทานยาหลังอาหารเย็นทุกวันสามารถทานผลไม้เช่นกล้วยหนึ่งผลแล้วตามด้วยยาหลังอาหารเย็นจะถือเป็นการถือสิงแปดหรือไม่คะ ก็ถือศีลเจ็ดไปก็แล้วกันคำถามจากคุณจันทารัปาริสวัตปาลิวาสกรรมหมายถึงอะไรคะและทำไมพระถึงต้องไปปาลิวาตสกรรมคะปาริวาทปาริวาทเป็นการลงโทษพระที่ทำผิดศีลหนักรองจากปาราชิก ถ้าเป็นปาราชิกนี่ต้องจับเสกถ้าลองลงมาก็เหมือนจับไปลงโทษไปติดคุกก็ไปอยู่ปริวัทคือไม่ให้ให้ไปให้ไปนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบเล้วไปทําปริวัสนกรรมเพื่อที่จะใช้โทษที่ตนเองทําผิดไว้ข้อที่สองอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องธรรมะครองเรือนเจ้าค่ะ การคลองเรือนของผู้ธรรมะของผู้คลองเรือนก็มีอยู่สี่ข้อหนึ่งต้องมีาจาคะต้องมีการเสียสละอยู่ร่วมกันต้องเสียสละต้องให้กันอย่าเอาแต่ใจตัวเองเราให้เขาเขาให้เราอยู่ด้วยกันด้วยการด้วยความเสียสละสองสัจจะความ ซื่อตรงไม่โกหกหลอกลวงกันมีความจริงใจต่อกันไว้ใจกันได้เชื่อใจกันได้สามให้มีธรรมะความอดกลัน้น เ, เวลามีอารมณ์ไม่ดีอย่าระบายออกมาเวลาโกรธอย่าะรุษวาสอย่าทุบข้าวของพยายามข่มใจไว้ด้วยสติด้วยพุทธโธไว้อารมณ์ดีแล้วค่อยพูดเวลาอารมณ์ไม่ดีอย่าพูด ไปเข้าห้องน้ําพือไปนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าต่างคนอารมณ์ไม่ดีแล้วพูดออกมาเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวบ้านพังอย่าแสดงอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีไปสงบไประ ง, งับอารมณ์ก่อนเวลาโลภเวลาโกรธเวลาเสียใจเวลาน้อยใจอะไรต่างๆอย่นี้อย่าไปแสดงอาการอะไรให้รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเดี๋ยวมันก็ผ่านไป แล้วก็ให้มีขันติคือความอดทนกับความทุกข์ยากลาบากชีวิตเรามันอยู่ด้วยกันมันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเวลาที่เขาแต่งงานกันเขามักจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะเป็นหรือจะตายไม่ใช่จะเอาแต่เวลาสุขจะอยู่ร่วมกันเวลาทุกข์ก็จะปีจากกันมันก็จะอยู่ครองเรือนไม่ได้ นี่คือธรรมะของผู้คลองเรือนมีอยู่สี่ก็ให้มีจาคะให้เสียสละต่อกันและกันอย่าเอาแต่ใจตัวเราเอาใจเขาบ้างเอาใจเราบ้างเขาเอาใจเราเราใจเขาก็จะอยู่กันได้ดีแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่โกหกหลอกลวงกันแล้วก็ให้มีความอดกลั้นเรื่องอารมณ์อย่าอย่าระบายอารมณ์ออกมาอารมณ์ไม่ดีพยายาม ข่มมันไว้ดับมันไปก่อนแล้วก็ขันติก็ต้องยอมต้องอดทนเวลาทุกข์ยากลําบาก บ, บางเดือนเงินไม่พอใช้ต้องจัดลายต้องตัดรายจ่ายอะไรต่างๆก็ตัดไปหวานอมขมกลืนพูดง่ายๆเรามีสติ น, ะนี่คือถ้าเรามีทำสี่ข้อนี้แล้วเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข โวนี่โวนี้รีพลายมาครับ Yes Thank you <Okay. S 1> and uh, sometimes it keeps me together in such a chaotic world คำ uh huh. okay. ถามต่อไปจากคุณณพลครับจากเอาคำสอนของหลวงปู่ชาจากคำกล่าวที่ว่าสัต์แต่ว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรถึงจะถูกต้องครับเนื่องจากใจผมรู้สึกว่าสัตว์แต่ว่าในใจผมมันช่างเลอะเทอะ ยุ่งเหยิงเมื่อเอาคำว่าสักแต่ว่าของหลวงปู่ชามาใช้ครับรู้สึกว่าใช้มั่วๆั่ครับไม่สมเจตนาคำกล่าวสอนของครูบาอาจารย์คาว่าสักแต่ว่าคือว่าของทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นะเราชอบไปยุ่งกับมันเองมันร้อนก็อยากจะให้มันเย็นมันหนาวก็อยากจะให้มันอุ่นไม่เคยมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันก็เลยวุ่นวายกัน ถ้าเราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่กับมันไปร้อนก็ร้อนไปหนาวก็หนาวไปหิวก็หิวไปทาถ้าดับความหิวได้ก็ดับไปถ้าดับร้อนได้ก็ดับไปถ้าดับไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายความตายมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็สัแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันสักตะว่าหมดเมื่อถึงเวลามันจะเป็นก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้นี่คือการปล่อยวางทุกอย่างอยู่กับตามความเป็นจริงคําถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขาอยากกลับเรียนถามว่าเศษการทางจิตกับเศษการทางกายอันไหนแก้ง่ายกว่ากันคะ อ, อ๋อการเศษการมันก็ต้องมาจากทางจิตก่อนเนะี่ย จิตต้องคิดก่อนคิดถึงแฟนมันก็ถ้าเจอได้อยู่กับแฟนมันก็ใช้รักเศกการทางทางจิตทางร่างกายไปด้วยได้นอนกับแฟนถ้าอยู่คนเดียวก็ฝันไปฝันหวานไปฝันเปียกไปนั่นก็เศกการทางจิตนะคำถามจากคุณเสือซศอ้าเล็กครับชาวฝรั่งเศสเมื่อวานที่ถามคำถามกับอาจารย์ เขาฝึกสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงเช้าและเย็นแล้วพระอาจารย์สอนให้เขาวิปัสนาภาวนาเจริญปัญญาต่อแสดงว่าเขาฝึกสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วหรือครับก็ไม่ทราบมาถึงก็ไม่ถึงเนี่ยก็สามารถเจริญปัญญาได้ในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิดีกว่าปล่อยใจไปคิดทางกิเลสตัณหาก็ให้มาคิดทางปัญญาแทน ถามจากคุณคินการภาวนาพุทโธต้องสัมพันธ์กับลมหายใจหรือไม่ครับไม่จําเป็นอ่ะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้ใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ใช้สองอย่างก็ได้แล้วแต่เราจัถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นคําถามจากคุณพนมพรขอพระอาจารย์เมตตากับคําว่าระวังติดบุญด้วยครับเ อ, อ่อ อันนี้ไม่ต้องไปกงังวลเรื่มงติดบุญนะระวังเรื่องติดบาปก่อนดีกว่าบุญเป็นของไปของมีคุณค่าไม่มีไม่มีโทษไม่มีภัยติดไปเถอะบุญไม่เป็นไรอยา่าไปติดบาปดีกว่าแม่อยา่าไปทำบุญโดยกลัวติดบุญนะคําถามจากคุณออนอูมาพระพญาคมีพระทาตเสด็จมาไหมคะ กงไม่รู้ก ย, ยังไม่รู้เลยไม่เคยเห็นพญานาเห็นแต่ในรูปภาพคำถามจากคุณกิษดาการภาวนาโดยกาหนดแต่คำบริกรรมเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้นั่งสมาธิจะสามารถรวมจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ไหมครับไม่ได้หรอกร่างกายมันต้องนิ่งถึงจะเข้าได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยอยู่มันมันจะเข้าไปไม่ได้มันได้อย่างมากก็ได้ไ ด, ได้สติ คำถามจากคุณอํานวยทําไมนั่งสมาธิแล้วมีอาการปวดหัวคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอาการปวดหัวมันมีหลายเหตุการณ์ถ้าปกติดูนั่งดูหนังไม่ปวดหัวแล้วนั่งสมาธิปวดหัวก็แสดงว่าเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบนั่งสมาธิกิเลสมันไม่ชอบอยู่กับความว่างมันชอบอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสพอมันขาดรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ปวดหัวขึ้นมา ถามจากคุณจูนถ้ามีคุณพระที่รู้จักทำสั่งทําขนมแบบจ่ายค่าตอบแทนจะผิดวินัยไหมคะถ้าเก็บ ส, สั่งเก็บไว้ฉันเองหมายถึงพระสั่งอาหารนะไม่ควรพราไม่ควรสั่งอาหารพระควรบิณฑบาตควรยินดีตามมีตามเกิดไม่ควรไปสั่งอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิสัยของพระ คำถามจากคุณนันทพัถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีกับผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้ลงมือกระทําเราจะเป็นบาปไหมคะก็เป็นบาปทางใจเป็นอกุศลที่จะนําไปสู่การทํำบาปทางร่างกายต่อไปถ้าเราหักข้ามจิตใจไว้ไม่อยู่นั้นควรที่จะระ ง, งับมันเวลามันโผล่ขึ้นมาคําถามจากคุณนันทพัฒน์ อยากทราบว่าวัดของพระอาจารย์มีปฏิบัติทาไหมเจ้าคะก็มีมีคนมาอยู่วัดได้ข้างมัเจ็ดวันถ้าเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่วมขาวมีลงโบสเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิคำถามจากคุณคนป่าถ้าจะมาบวชบวชชีที่วัดต้องทำยังไงคะ ที่วัดเขาไม่บวชชีเขาให้มาอยู่ถือศีลแปดเรียกว่าบวชเนคขมมะก็ติดต่อทางวัดได้เขามีหมายเลขโทรศัพท์ก็ไปทางเว็บไซต์ดูเส h คำว่าวัดยานแล้วก็เขาก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อทโทรจองที่พักได้คำถามจากคุณลัทธิดาหาเห็บให้หมาแล้วโยนปล่อยไปบางครั้งก็ตาย จะผิดสิ่งข้อหนึ่งไหมคะถ้าตายก็ผิดถ้าไม่ตายก็ไม่ผิดคำถามจากคุณรพลเคยนั่งเพ่งแสงขาวๆตรงหว่างคิ้วตรงหน้าผากแล้วเกิดอาการปวดหัวคือเพ่งพยายามบังคับไม่ให้แสงหายไปอย่างนี้ผิดใช่ไหมครับถ้ามันปวดก็ถ้าทนได้ก็มันอาจจะเป็นความปวดชั่วคราวก็ได้พอจิตสงบแล้วมันอาจจะหายปวดก็ได้ อำถามจากคุณจูนี่เคยเห็นคะ่ะไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหารแบบนี้ผิดหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เหตุการณ์เองแห่ะโดยปกติพระควรที่ไปฉันที่อื่นจะดีกว่าเป็นปูเสือที่ไหนแล้วก็เอาอาหารจากร้านไปนั่งฉันเพราะว่าโดยวิสัยของพระไม่ควรที่จะไปคุกคีกับครารวาส ให้ลูกศิษย์ไปสั่งอาหารจัดอาหารมา้ถ้าอยู่ในรถก็นั่งชันในรถไปอะไรหรือว่าถ้าถ้าทางร้านเขาจัดที่ที่แยกเฉพาะไปให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนก็ก็ได้แต่ถ้าจะเดินเข้าไปถือสะพายย่างก็ไปแล้วนั่งแล้วก็สั่งให้เอาก๋วยเตี๋ยวมาชาม <c oughs> มันม่นก็เป็นเหมือนคาราวาส่ามันไม่ควร คุณอำนวยบอกว่าตอนนั่งสมาธิมันปวดหัวเป็นช่วงๆครับช่วงท้ายทอยบ้างกลางหัวบ้างก็ลองทนดูดูซิว่ามันทนได้ไหมมันอาจจะเป็นกิเลสสมานเวลาเราจะนั่งสมาธิกิเลสมันจะมาสร้างปัญหาต่างๆให้กับเราลองไม่สนใจมันดูซิลองนั่งต่อไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปยยาให้ความเจ็บมันหายไปให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปให้อยู่กับการดูลมไป แล้วถ้าจิตมันเริ่มสงบแล้วมันจะหายไปเองหมดแล้วเนะี่ยไม่มีนะใครมีไหม you want any more q u e s t i o n ไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วนะก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ